ประเทศนามที่เจ็ดาลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดกุดธาดีแสดงธรรมในวันที่17มิถุนายน2 5 5 8มีชื่อเรื่องว่าดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง วันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเมื่อวานเนี่ยก็มีพี่น้องจังหวัดจันทบุรีมาพักค้างวัดที่วัดของเราก็ไม่เคยขาดมาจากจาตุรททศบางทีก็มาทางภาคใต้ก็มีทางภาคเหนือทางแถวพิจิโนโลกก็มี ในละแวกอุดรหนองคายแถบแถบนี้ก็มีมาพักพามาพักปฏิบัติธรรมมาพักแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาแต่โดยเฉพาะอย่างยี่ยนก็มากราบพระภูก้อน ได้ยินข่าวกิติศัพท์ก็มากราบพระภูกอนกับาีที่ก็ขึ้นมาทางอีสานกราบครูบายจานที่รู้จักมักคุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตาสมัยเมื่อหลวงตายั ง, งทรงธาตุทรงขันอยู่แวะเวียนมาการาบครวะองค์หลวงตาแต่เมื่อไม่มีหลวงตาก มีลูกศิษย์ลูกหาวัดต่างๆารู้จักมักคุณเอออมาวัดของหลวงพ่อนะถ้าผู้ใดอยากจะมาพักพาอาศัยมาปฏิบัติธรรมก็มีที่พักมีที่พักสำหรับอุบาสิกาและก็เป็นที่พักของอุบาสกคือโยมผู้ชายก็มีประวัดของเราในกว้าง แล้วก็พร้อมกันปีนี้รู้สึกว่าพระที่จะมาบวชนาคที่จะมาบวชรู้สึกว่าคึกคัก อ, อ, อ, อ, อยู่นะไม่รู้จะเท่าไหร่ละแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้นับพราเคยนับทุกปีมันเอผิดหวังทำไมเยอกว่าผิดหวังเพราะเวลาใครมาแต่ก็นานนี่หลวงพอ่อใครมาบวชหลวงพ่อกลัวมันจะมากเกินไปหลวงพ่อก็บันทึก ใส่กระดาษเอาไว้หนักอยู่ที่ไหนไมาจากไหนแต่ก่อนที่จะบวชหลวงพ่อก็ถามถามคำแรกก็เคยติดยาเสพติดไหมเคยติดเหล้าไหมแล้วก็พ่อแม่รับรองว่าเป็นลูกที่ดีไหมถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ไม่เกเรจนเกินไป แต่ทำไม่จริงก็อยากจะให้ลูกเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพื่ออบรมบน่นบ่มนิสยัยให้เป็นลูกหลานที่ดีอันนี้ก็วัดวาศาสานาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการอบรมบ่มนิสัยของลูกของหลานสอนคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมหลวงพ่อเออเอารับแต่ปีนี้รู้สึกว่ามากนะ แต่หลวงพ่อไม่รู้ว่าเท่าไร่แต่หลวงพ่อเคอคิดว่านะทามันมากถา้านลูกหลานมากหลวงพ่อก็จะดูซะก่อนตัวที่เป็นเด็กหนุ่มคนหนุ่มอาจจะมาอยู่ที่วัดผู้ที่สูงอายุขึ้นมาพอสมควรพอจะพึ่งพาอาศัยพึ่งตัวเองได้หลวงพ่อจะไปส่งไปตามวัดสาขาถึงวัดท่นรัตนะบางวัดท่านน้อยบังวัดอะไรที่เป็นวัด ที่พระอย่างน้อยอยู่ให้ไปปฏิบัติมีอะไรก็เข้ามาถามไทยแล้วก็ให้เข้าไปศึกษาฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาบั้งที่อยู่ในวิทยุแล้วก็ MP3 มีสมีทุกวันตาผู้ไฟในการศึกษาไฟในการเรียนรู้แล้วก็มีช่องทางมีหา แนวทางได้มากมายไม่เหมือนตะก่อนตะก่อนก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์เท่านันเขาไปฟังฟังจากท่านเท่านั้นจึงได้ฟังแต่ทุกวันนี้มีวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเปิด m p 3ฟังแล้วก็วิทยุ ก, ก็เปิดให้ฟังอยู่แล้วอันนี้ก็คือการศึกษาของพระรุ่นใหม่ลุงพ่อเองเลยไม่หนักไม่หนักใจ ว่าเราไม่ได้สอนพระเนนของเราเต็มที่หลวงพ่อบอกให้พวกท่านใฟถ้าพวกท่านใฟในการศึกษาใฟในการเรียนรู้พวกท่านจะต้องมีวิธีการวิธีกรรมหรือว่าหาแนวทางได้ m อ3มพมก็มีวิทยุฟังธรรมเทศนาของหลวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างวัดของเราเนี่ย มีสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 107.25 เมกนะเฮิรตที่เราติดไวนะ้เปิดเดี๋ยวนี้ก็ได้ฟังเดี๋ยวนี้แหละเสียงหลวงตานะแต่ว่าตอนกลางวันเนะี่ยหลวงตาจะพูดแบบทักทายอะไรกับศรัทธาญาติโยมมาจากจารตุระเทศเขาเอาออกนะบางทีก็ไปแสดงธรรม งานทอดผ้าป่าหาทองคําเข้าคลังหลวงตอนกลางวันตอนกลางวันแต่ตอนกลางคืนน่ะตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปสองทุ่มถึงตีห้าน่นละให้ฟังอันนั้นท่านอบรมพระโดยตรงเลยอบรมทางจิตภาวนาอบรมเครื่องภาวนาของพระวิถีทางเดินของจิตใจใจของเราเดินยังไงเพจ่งจะเป็นสัมมาธิฏิ เดินยังไงเป็นมิจฉาทิฐิคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฐิพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ความสาคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายเรื่องของกายนะเรื่องร่างกายถึงจะเลี้ยงอิมีพีมันขนาดไหนก็เถอะไม่มีใครจะหนุ่มสาวไปข้างหน้ามีแต่เท่าแก่ชราไปเรื่อยๆผลในสุดเกิดถึงจุดจบของร่างกาย แต่ส่วนจิตใจนั้นไม่ตายนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่านพุทธนามะธรรมคือตัวผู้รู้คือใจนะั่นแหละตัวนั้นามไม่ตายนะนี่แหละพระพุทธศาสนาจึงให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายท่านจะว่ามโนปุพังคัมมาธรร ม, มามโนเสธามโนมายามโนคือก็คือใจนะั่นแหะ เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากตัวนะตัวนามธรรมเพราะนั้นให้เรื่องพุทธศาสนาจึงท่านจึงให้สอนอย่างนั้นแต่ท่านก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยทีเดียวสำหรับฆราวาสญาติโยมการดำรงชีพเราจะเดินยังไงไม่ใช่แต่ฆราวาสพระเนี่ยชีวิตของพระ เราจะดําเนินชีวิตยอย่างไรแต่พระพุทธเจ้าท่านสมัยนั้นท่านบวชเข้ามาท่านก็บอกว่านิสัยสี่กิจกิจที่ควรทํากิจที่ควรทําของพระมีอยู่สีอย่างกิจที่กิจที่ไม่ควรทําของพระมีอยู่สีอย่างเในว่านินสัยสีอักรณียกิจสี่อักรณีประวิกิจไม่ควรทํา นสิสัยสีแปลวกิจที่ควรทํำให้เที่ยวบินทบารหนึ่งนุ่งห่มผ้าบางสกุลหนึ่งอยู่โคลนต้นไม้หนึ่งหยันฉันยาดองด้วยน้ํามูดเ neau หนึ่งอันนี้กิจที่ควรทําของพระไม่ผิดวินยัยไม่ผิดระเบียบไม่ผิดก ฎ, กฎกติกาของเราตถาคตให้ปฏิบัติอย่างนี้เมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องเที่ยวบินธบาร์เลี้ยงชีพ ส่วนเขาจะให้อย่างไรไม่ให้อย่างนั้นเป็นเป็นหน้าที่ของเขาอันนี้ก็คือหน้าที่ของพระนี่แหละจากนั้นถ้าเขาให้สันโดดถึงจะมีของมากเขาให้ฉันเพียงมือเดียวอย่าไปโลภในอาหารอย่าไปโลภในปัจจัยสี่ให้มีความมุ่งมั่นในอัตธรรมอันนี้คือสัานสอนพระนะแต่สอนฆราวาส สารวัตรฆราวาสธรรมธรรมของฆราวาสสี่อย่างอยู่ด้วยการให้มีสัจจะอย่าไปไร้สัจจะคนที่ไร้สัจจะเนี่ยครบไม่ได้ต้องมีสัจจะความจริงจังและจริงใจต่อกันมีอะไรพูดตามความเป็นจริงแล้วก็รับคําแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างที่ได้ปฏิบัติอย่างที่ได้รับคําเขาไว้แล้วสัจจะธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตน เมื่อเราบางทนมันมีอารมณ์โมโหโกรธานะไม่ให้สม่ำเสมอไดยังไงไม่ใช่เราเป็นพระหันเพระหันเอจิตใจมาตรฐานจิตใจสแตนดาร์ดอันนั้นคือพระหันแต่จิตใจปุตุชนนะบางทีก็ขึ้นขึ้นขึ้นบางทีก็ลงก็ลงบางทีขึ้นก็โมโหสุดขีดนะทันว่าธรรมะให้รู้จักข่มข่มจิตของตน เออมันข yeah, re ึ้นไปทําไมมันโกรธทําไมมันได้อะไรเออมันเสียหรือมันได้เลยนะให้แค่ประขมไว้ก่อนมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเออเราจะพอได้ยินขึ้นมาเลยจึงเป๊ะขึ้นมาเลยได้ยังไงแล้วต้องฟังซะก่อนมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงถ้ามันเรื่องจริงยังค่อยว่ากันนะเรื่องไม่จริงนะมันเสียหายนะเนี่ยอันนี้ให้รู้จักขมจิตของตนไว้ก่อนธรรมะให้รู้จักขม อขันติให้มีความอดทนเราอยู่ในหน้าที่การงานไหนบางทีชาวนาเลยไปดํานาเนี่ยมันร้อนกับโต ด, ดขึ้นมาเ อ, อมันก็ไม่เสร็จทักทีเลยมันจะไม่ให้มันร้อนอะไรอาเงี้ยเราหยุดใต้ดวงพระอาทิตย์เราก็ต้องทําอดทนในการทํางานอดร้อนอดหนาวอดเย็นอดหิวอดกระหาย เ, เพื่อจะสู้งานให้สําเร็จ ถ้าเป็นข้าราชการงานเมืองขนน่ะอดหน้าที่การงานเขาทำให้ทำอะไรในหน้าที่ทําทำบางทีเจ้านายดุด่าว่ากล่าวผู้บงังคับบัญชาดุด่าว่ากล่าวต้องอดทนบางทีลูกน้องขึ้นมาแต่ว่าท่านบอกว่าการอดทนอดทนต่อเจ้านายที่ดา่าเนี่ยก็ยังพอทนไหวอดคนที่คนเสมอกันว่ากล่าวให้อันนี้อดทนได้ยากขึ้นมาหน่อยแต่ต้องสู้กันต้องอ้างเหตุผล ใส่กันแต่ลูกน้องด่าเนี่ยลูกน้องด่าเนี่ยอดทนไระยาะอันนี้ท่านพูดในพระหลักพระไตรปิฎกนะถ้าคนที่ด้อยกว่าดูถูกเหย็ดจามเนี่ยโดนมากขยี้เลยเหมคือขาดยับยั้งในการอดทนไม่ได้นี่แหละอันนี้ก็คือความอดทนถึงจะระดับไหนก็จะผู้ใหญ่ผู้กลางผู้น้อยก็จะเราต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐาน อย่าไปใช้ความโมโหโกธาให้กับผู้ใดให้มีความอดทนมองอันนี้ก็คือขันติคือความอดทนและกระจาคฆ่าให้รู้จักการเสียสละการเสียสละอันดับแรกอันดับแรกคือใครอันดับแรกก็คือพ่อแม่ของเราที่เลี้ยงดูเรามาเรามองข้ามไม่ได้เมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราจะปล่อยปาละเลยมอบให้พี่คนนั้นน้องคนนี้ เราในเฉยลอยตัวไม่น่าจะถูกเพ่อะอะไรเพราะร่างกายของเราตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยเราได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราจะระลึกถึงบุญคุณของท่านเราจะทดแทนพระคุณของท่านหน่อยหนึ่งไม่ได้เหรอพ่อแม่เป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพี่น้องให้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เกิดมาจากพ่อแม่นั้น อันนี้ว่าจากาอันดับแรกให้มองพ่อแม่ของตนก่อนจากนั้นก็ให้มองครอบครัวสามีภรรยาให้มองลูกๆให้มองวงสาขานายาตให้การมีการเสียสละเมื่อเขาตกทุกข์ได้ยากน้อยกว่าเราเราก็ควรจะเสียสละให้เขาบ้างไม่ใช่ว่าเราไม่มองมองไม่เห็นใครเลยไม่ถูกนี่แหละ นี่นท่านพระพุทธเจ้าท่านก็นสอนนะการเป็นอยู่ของครวาด์นะครว่าตธรรมธรรมของครวาดสีอย่างสัจจะให้มีความจริงจังและจริงใจต่อกันธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนในเมื่อได้ยินอะไรได้รู้อะไรมาต้องข่มจิตไว้ก่อนอย่าไม่ไปโมโหโกรธาอย่าไปใช่อารมณ์จนเกินขอบเขตบางทีมันไม่ใช่เราทาไปแล้วเสียหาย ต้องข่มไว้ก่อนแล้วก็ขันติมีความอดทนอดทนต่อหน้าที่การงานอดทนต่อดินฟ้าอากาศอดทนต่อผู้เหนือกว่าเสมอตนต้อยกว่านะขันติคือว่าจาคะให้รู้จักเสียสละต่อผู้มีอุปกรณคุณกับเพราะนี่แหละอันนี้ก็ว่าท่านสอนคารวะหรือว่าคารวะธรรมธรรมของคารวะสีอย่างท่านก็สอนเองนะ สอนหมวดสนะทำแต่ว่าทำหมวดสนะเนีตระกูลอันมั่งคลั่งนะไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถาน4เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนทำทำหมวด4ีนะตระกูลอันมั่งคลั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถาน4ีหนึ่งไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วสองไม่มัวรนะพัสดุที่ค้าค่าสไม่รู้จักประมาณในการ บริโภคสมบัติ4ตั้งสตรีหรือบุรุษทุสินให้เป็นเจ้าของสมบัติอันนี้เป็นขนทางแห่งความจิบหายอันดับแรกก็คือไม่ตั้งตระกูลอันมั่งคัางไม่ตั้งอยู่ได้นาะำเพราะะถานที่ไม่สแสวงหาพัฒดุที่หายแล้วคือรถเราหายสิ่งของเราหาย หายแล้วแล้วไปทั้งสามีภรรยาไม่ได้สนใจผู้ที่ขโมยก็จ้องขโมยเเนี่ยเพราะเจ้าของเขาไม่ได้ใส่ใจพระนิษุกเ็เลยเดือดร้อนเถนี่ยถ้ามันมีมากก็อีกอย่างมันมีอันเดียวแล้วหายไปก็ไม่ได้สนใจอันนี้ไม่ดีการว่าให้ใส่ใจใครเอาไปของของเราให้ใส่ใจมันเป็นสมบัติของเราเนีย่ยนะเม่นเวลาของหายนีย่อย่าไปปล่อยปะนะเลย ต้องช่วยกันดูช่วยกันดูช่วยกันปกป้อง น, ะนี่แหละพัสดุที่หายแล้วที่หายแล้วไม่ดูไม่บุรณะพัสดุที่ ค, ค้าคนะลาหลังคาล่วงร อ, อ, องเท้าขาดเชื่อขาดนิดหน่อยเราไม่ปะเราไม่ชนุน เ, เราไม่ดูแลต่อไปก็เสียหายเนะพราะเสียหายขึ้นมามันเสียหายมากขึ้นมาแล้วนะทั้งที่มันจะรักใช้ไปได้อีกนานนะ เราจะใช้ไปได้อีกนานหลายหลายเดือนหลายปีแต่พอเราไม่รักษาเสียหายหมดอย่างลังคามันรัว่วเราก็ไม่ได้สนใจสใจส่ใจผลทีสูดก็นั้น่ะผ้าก็เปียกพื้นก็โพองพื้นก็ระเบิดขึ้นมาเพราะเหตุไรเพราะไม้มันดันกันเพราะฝนตกถู ก, กนเพราะที่สุดเสียหายอยู่ไม่ได้ทั้งที่เราขึ้นไปเอากระเบื้อง ป, ปิดๆซะลูเดียวเท่านั้นเลยบอกให้ใครมาทําก็ได้ อันนี้หลา ว, ว่าไม่บูรณะพัฒดุที่คลาคล้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติคล้ายๆว่าเรามีสถานะอย่างนี้เงินเดือนอย่างนี้อย่างวัดหลวงพ่อเนี่ยออการเป็นอยู่อย่างนี้ใช้ฟุ่มเฟือยเฮอฟุ่มเฟือยก็เดือดร้อนเดือดร้อนกับหลวงพ่อกันนั่นแหละไปเห็นใครขอดะไปเลยเดือดร้อนไปหมดเลจนคนไม่เข้าวัดเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักกั ประมาณในการบริโภคเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงบอกพระเนนของหลวงพ่อพระเนนทุกอง์นะเราอยู่อย่างพระนะอย่าไปใช้อะไรฟุ่มเฟือยเหลือเฟือนะอย่าลืมตัวนะมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้ไม่ใช้เมือไม่มเีเราเป็นพระนะชีวิตอย่างพระนะอันนี้คือหลวงพ่อสอนพระให้ใช้ชีวิตอย่างพระอมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้ มีก็กินไม่มีก็ไม่ต้องกินมันพอ่อยเลยมันไม่มีเนี่ยอันนี้คือคือรู้จักประมาณในการบริโภคแล้วก็ข้อที่สนะี่นตั้งสตรีหรือบุรุษทุศินให้เป็นเจ้าของสมบัติตัวที่อันตรายนะคือว่าทุศินคำนี้คล้ายๆว่าสามีไปเที่ยวไปเตรกินเหล้าเมายาการพนองการปนันอบา ย, ยมุกทุกอย่าง อ, อยู่กับคนคนนั้นคนนั้น แม่บ้านเขามอบความไว้วังใจมอบสมบัติให้เงินเดือนมาเท่าไหร่ก็มอบให้เพราะนั้นสามีก็ใช้หรือช่ยแชกก็มดัดทางแม่พ่อบ้านก็เหมือนกันถ้าแม่บ้านใจใหญ่อย่างนั้นถุศินเป็นคนไม่มีศินแม่บ้านไม่มีศินพ่อบ้านมอบความไว้วางใจให้แม่บ้านก็ใช้หรือช่วยแชก็มัดอีกตระกูลนั้นก็เลยอยู่ไม่ได้ละสัมละสายทะเลาะกันหาความสงบ สุขไม่ได้ในครอบครัวนะเพราะนั้นถ้ า, าพ่อบ้านออกนอกลู่นอกทางแม่บ้านก็ต้องคิดให้ดีก็ควรจะเก็บไว้ยังไงควรจะให้พ่อบ้านใช้ยังไงแลวก่อนนะให้มิกดูกันนี่แหละถ้าแม่บ้านออกนอกลู่นอกทางพ่อบ้านก็ต้องอย่าไปมอบให้เกินไปะจะเดือดร้อนนี่แหละ อันนี้เราไจากรู้จักการบริหารจัดการในครอบครัวนะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามในหลักธรรมคำําสอนคนโบราณเขาบอกว่ามองโลกให้มองต่ํามองธรรมให้มองสูงมองโลกให้มองต่ํามองยังไงคล้ายๆว่าให้มองชาวบ้านของเราชาวบ้านของเขาเขาจะอยู่กินยังไงเข้าไปดูในครัวก็าจะเขากินยังไงเขาเขากินแบบทุกๆจากยากๆแบบ โรงเรียนเขาก็เบิกค่าเล่าเรียนก็ไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเบิกก็ไม่ได้อีกต่างหากชาวบ้านเขาแต่เราเป็นข้าราชการ เ, เราเบิกได้แล้วก็ค่าเล่าเรียนของลูกก็เบิกได้พ่อแม่ก็เบิกได้อันนี้คือข้าราชการเราถ้าเราจะคิดอะไรเ้าต้องมองมองชาวบ้านเออชาวบ้านเนยอยากจนกว่าเรา เ, ออเราควรจะทําตัวอย่างเราต้อง รู้จักเศรษฐกิจพอเพียงแบบในหลวงอ่านถ้าว่าเรามองสูงนะมองอาเซียเอมองที่เขารวยกว่าโอ้เขาได้รถอืเขาได้บ้านพักเขามีเท้าห้ามีอะไรขึ้นมาเนะี่ยเอเรามองอย่างนั้นเราก็จะไปแข่งเขาทีเดียอพอแข่งเขาเข้าไปเราก็ทุกแล้วแต่พอทุกเข้าไปก็นะอันไหนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราก็ทําได้เพื่พออะไรเพราะเราจะแข่ง แข็งที่ผู้เหนือกว่าเรานะเพราะฉะนั้นในคําพังเผยบุคคลโบราณขึ้ น, นว่ามองโลกให้มองต่ํามองธรรมให้มองสูงนะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะชีวิตของพวกเรานะีให้เดินไปด้วยความระมัดระวังอย่าไปชะลา่าหรือลืมตัวอย่างหลวงพ่อในะสอนพระสอนตัวเองด้วยนะหลวงพ่อนะี่มาจากติด ต, ติดดินเลย เป็นพระกรรมฐานนะฮะบวชเป็นสัมมเนรมาตั้งแต่อายุสิบเอ็ดสิบสองปีอยู่กับหลวงปู่ล่าอยู่ในภูเขาภูผาป่าไม้ต่างหากพอมาบวชแล้วก็มาอยู่กับหลวงตามาอยู่กับหลวงตากันหนึ่งอยู่แบบพระกรรมฐานอีกเหมือนอยู่แบบไม่ลืมตัวเพราะเราเคยทุกข์มาเคยยากเคยลําบากมาแล้วเรื่องด้านวัตถุอะไรก็ได้หลวงพ่อไม่เคยบน่นพูดต่อหน้าคณะทาญาติโยมลูกหลาน โอ้อาหารอย่างนี้หลวงพ่อชอบหลวงพ่ออร่อยอย่างนี้แหละหลวงพ่อจะไม่พูดวันไหนอาหารดีกรืฉันพรอมวันไหนที่ไม่มีก็ฉันวันพุ่งนี้มันไม่ใช่มันมีวันเดียววันพุ่งนี้อาจอาจจะดีก็ได้แต่เมื่อวันไหนดีวันพุ่งวันลุ้งขึ้นต่อไปอาจจะไม่ดีก็ได้ พราะนั้นการฉันฉันเพียงประทังเนี่ยประทังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นเองเออพอฉันเข้าไปถึงจะอ่านอาหารอร่ อ, รอยดีขนาดไหนก็เด้อเวลาไปถ่ายก็เหมือนกันนะั่นแหะเหม็นเหมือนกันนะั่นแหะเพราะนั้นเราจะไปคิดอะไรเรื่องอาหารพอเป็นพอไปเป็นวันๆได้พอประทังชีวิตได้อิ่มได้อยู่ได้ เ, เพียงแค่นี้ก็พอแล้วยนะอันนี้คือเราเป็นนักพรตนักบวชนะ หลวงพ่อสอนพระถ้าสอนตนเองนะหลวงพ่อสอนอย่างไ้นนะคณะจตห ايا ญาติโยมลูกหลานนะแล้วก็เนี่ยพระเนรทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเนี่ยผู้ที่จะเป็นนักบวชอาชีพบวชเป็นนักพจนบวชต่อไปในให้วางตัวให้ถูกถ้าวางตัวถูกอย่างนี้หลวงพ่อว่าอยู่ที่ไหนสบายสบายใจทั้งนั้นแหละไม่ทุกใหญ่เพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้มุ่งหวังทางด้านวัตถุ เรามุ่งหวังทางด้านธรรมะจะทำยังไงจิตใจจุงของเราจึงจะพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดตามแนวอริยประเพณีตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตัวนั้นให้เราศึกษาลนะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามแนวแถวของครูบาอาจารย์พาดาเนินจิตใจของเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุข วันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานพระเนน ท, ท, ท, ทุกทุกองทุกทุกท่านนะอาตอน่ไปพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พร